ทีเละมันกรวดเร็วคุณรวดเร็วตอนที่เรายังไม่จ่อใส่มัน น, ม น, ม น, มนีมันทําเหมือนกับมันมันทําเหมือนกับมันไม่มีชีวิตจิตใจไม่ไม่ไม่มีวิญญาณเลยเพราะเรากําหนดจดจ่อตั้งท่าใส่มันเท่านั้นโถมันตื่นแล้วเตื่นตัวมาเผลอไปได้ยโดนมันก่อนโดนมันเย็บก่อนแหละอยู่ในใจแล้ว ในใจของเราของท่า น, นอะไรเผลอก็ได้เราตั้งท่าใส่มาใ น, นหมายความว่าเรารู้ตัวเรารู้สึกตัวแล้วมันรู้ว่าเออศัตรูตั้งท่าใส่เรามันก็ตั้งท่าใส่เราเลยไม่ใช่ตั้งท่าเฉยๆนะเราเผลอเมื่ อ, อไหร่มันแยบเลยเผลอเมื่ อ, มอไมันแยบเลยเหมือนเราตั้งใจจัดนั่งสักห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมง ลองตั้งท่าพูกนีเพล้ก็ได้เดี๋ยวมาแทรกแหะเพลอก็ได้เดี๋ยวมันแทรกแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งท่าใส่มันนี่นั่งเทลายก็ได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องตั้งท่าใส่มันเนี่นั่งเทลายนั่งได้เทนะ่านั้นพอเราตั้งท่าแล้วนะเอาสักห้านาทีห้านาทีทำไมมันนานเหลือเกินกครึ่งชงั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันทํามมันนานเหลือเกิน เอาซักเท่านั้นเอาซักเทน่นี้ถ้าเราไปตั้งแบบนั้นเราจะสู้มันไม่ได้เราจะไปตั้งท่าใส่มันเราจับให้ได้ทุกขณะจิตเลยจับให้ได้ทุกขณะจิตจับยังไงจับคือตั้งท่าตั้งท่าสํารวมระวังนะเพราะพอเราเริ่มสํารวมเราเริ่มระวังมันก็เป็นการกระตุ ก, กจิตขึ้นมาแล้ว แตนที่จิตของเราจะจะตกไปเป็นเครื่องมือของมันเนี่ยหมายความว่าเราเอาสติเอาสัมปชัญญะเนี่ยมาเกาะจิตมาจาับจิตแล้วให้จิตอยู่ในอำนาจของสติของสัมปชัญญะเพราะสติเออยสัมปชัญญะเออยเนี่ยมันเป็นธรรมะ ม, มันเป็นธรรมมันเป็นเครื่องที่ส่งย้อนมาที่จิตและจิตเนี่ยรู้จักตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวตื่นเนื้อตื่นตัว เป็นตัวของตัวเองไม่ถูกไม่ถูกอํานาจของกิเลสมันครอบคลุมรู้สึกอํานาจของกิเลสครอบรู้สึกนอรู้สึกตัวตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาคอย ร, ระแวดระวังขึ้นมาสรุปรวมแล้วก็คือความสํารวมระหว่างความสํารวมระหว่างก็คือเมื่อเราตื่นเนื้อ่นตัวถ้าเผื่อว่า จิตใจเป็นจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเผื่อเป็นบ้านก็คือเจ้าของบ้านเฝ้าอยู่กับบ้านถ้าเผื่อถ้าเผื่อรับก็คือเจ้าของทรั์เฝ้าอยู่กับรั์อ่ามันเป็นการระมา ร, ระวังไม่ให้อันตารายไม่ให้อันตรายจากโจรจากขโมยไม่ให้อันตรายจากไฟจากอันตารายทุกอย่างที่จะพึ่งเกิดขึ้นกับทรัพย์ของเรา อันนี้ก็เช่ยเดียวกันร่างกายของเราเป็นทรัพย์จิตใจของเราเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของธรรมนะเป็นทรัพย์ของธนะรรม ถ, ถ้าเราเอา ส, สติธรรมมากากับเอาสัมผัสจันยร์ธรรมมากากับกายของเราก็กลายเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์พของเราจิตของเราก็เป็นกลายเป็นทรัพย์ของเราถ้าเราไม่เอาธรรมมากำกับกิเลสมันกลาไปเป็นทรัพย์ของมัน มันมาแอบใช้กายนี้มันมาแอบใช้จิตนี้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกลายเป็นสมบัติของมันทั้งหมดเราเอาเอาอะไรมาเป็นประโยชน์กับกับเราคําว่าเราในทีนี้หมายถึงธรรมะเามาไม่ได้เพราะอํานาจของมันนี่มากมายมหาศาลมากกว่าน้ําในมหาสมุทรอานาจของความอยากของกิเลสมากกว่าน้ําในมหาสมุทร พระสมุทรนาทิตตัญหาสมานทีแม่น้ำเสมอ้วยตัญหาไม่มีตัญหา ค, คือความอยากความอยากตัวนี้แหละเป็นตัวกิเลสทั้งหมดถึงดนุนแสดงความอยากออกมาทางตามันออกมาทางตามันออกมารับรู้ข้างนอกออกมาทางตาออกมาทางหูออกมาทางตาเพมาเห็นออกมาทางหูก็มาได้ยิน ออกมาทํางจมูกได้กลิ่นออกมาทางลิ้นคือรสออกมาทางกายก็มารับรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ออกมารับรู้กับตัวของตัวเองคือธรรมารมณ์ที่ใจนี่เป็นช่องที่จิตคือถ้ารู้คือผู้รู้เนี่ยมันออกมาข้างนอกออกมาเสวยข้างนอกออกมาหาผลกําไรข้างนอกเพื่อจะลิ้ ม, มรสเข้าไปสู่ที่จิตนั่นแหละ ลิ้มรับตามอำนาจของความอยากความอยากออกมาทางตาทางหูทางจงมูกทางดินทางกายทางใจมาหาเสียษหาเลยหาผลกําไรหาผลรายได้ให้กับมันแล้วมีธรรมะของความอยากเราเห็นไหมเราเห็นอำนาจของคนอยากไหมถ้าเราถ้าเราได้สังเกตคนมีนิสัยชอบหยิบชอบช่วยชอบรักชอบขโมยเนี่ยเราดูทิศตาครับ ทัตตาเขาไปอยู่ในในที่ที่ที่จะมีอะไรเอื้ออานวยให้กับที่เขาจะพอใชยโอกาสได้เราจะดูตามเขาเราจะดูใกล้ดูไกลดูซ้ายดูขวาดูสอบดูมุมดูจดจ่อดูสังเกตละเอียดเพื่อจะหาช่องหาฐานนานกิเลสคือความอยากมันออกมาทางตาก็เช่นเดียวกันออกมาแล้วมันก็จ้องหาดูสิ่งที่ ถูกจริตถูกนิสัยชอบหลอกชอบใจของมันดูหาดูหาสิ่งที่ดีที่งามเพราะมันชอบสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ชอบใจของมันมันดูหาดูหาเพื่อเพื่อจะให้ถูกจิตถูกใจของมันพอถูกจิตถูกใจแล้วก็ดู ก, กลืนเข้าไปละความพอใจดูกลืนเข้าไปที่จิตไปสวยไปเสีบสุขความอริดอร่อยที่จิต มันออกมาทางตาเกิดความรักเกิดความชอบขึ้นมาแท้จริงก่อนที่จะเกิดความรักเกิดเกิดความชอบชอบใจพอใจมันก็มีความอยากมันติดมันดิ้นอยู่ข้างในมันก็ออกมาออกมาหาพอออกมาแล้วก็มาหาหาแล้วให้เจอเจอสิ่งที่ถูกก็ ถ, ถูกชาติถูกเชนนิสยัยกับดูเข้าไปดูเข้าไปมีความชอบใจมีความพอใจนะ ถึงจะไม่ดูถึงจะไม่เห็นเนื่องอารมณ์นั้นมันล่วงไปแล้วแต่ภาพที่ประทับใจอยู่นั้นนะ่ะมันตกมาตกค้างที่จิตมันมันตกค้างที่ใจมันกลายเป็นอารมณ์ เ, เ, ญญเขาเรียกว่าสัญญาเขาเรียกว่ารูปประสัญญาคือหมายตอนที่มันไปเห็นแล้วมันหมายแล้วรูปนี้รูปรูปดีรูปรูปดีใจรูป หน้าดีใจรูปหน้าพอใจเห็นแค่แค่เห็นแว บ, บเดียว น, นั่นแหละโดยปกติกิเลสถ้าเห็นจังจังเห็นชัดๆัดเนี่ยมันจะไม่ชอบหรอกถ้ามันชอบเห็นแว บ, บเดียววักวแวบมบแวบบแวบแวเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยมันจะชอบใจมันจะวาดเป็นมโนภาพสมมติอย่างตาผู้ชายเห็นหน้าผู้หญิงเห็นเห็นผู้หญิงเนี่ยมันก็วาดเป็นโอ๊ยสวยหรู ยาเยิอมหยดย้อยยิ่งกว่าเทพธิดานั่นะน่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเจ้าประเสนณที่โกศลพระเจ้าป ร, ระเสนณที่โคศลเ น, นี่ยมีวันหนึ่งท่านเสด็จเรียบพระนครเสด็จเรียบพระนครไปเนี่ยไปไ ป, ไปไปไปไปไปคือนั่งนั่งช้างไปนั่งช้างเสด็จเรียบพระนครไปพอดีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีสามีเลยนะเขามองลอดหน้าต่างมาจากบ้านนะ พระยาประสินี่กษัตริย์ก็เลือกไปเห็นพอดีเลือกไปเห็นอยู่อยู่ตรงกลางหน้าต่างเนี่ยพอเห็นท่านั้นเนี่ยโอ้ติ ด, ดอกติดใจพอพอใจมันไปนเกาะท่านั้นแหละไอ้ความว่าที่เรียกว่าสัญญามันหมายไปหมายว่าดีว่าเด่นว่าสวยว่างามว่าอย่างนั้นไว้าอย่างนั้นตีใจชอบใจยิ่งผูกมัดรับตึงจิตใจอยู่อ่านไม่ได้นอนไม่หลับเลยท่าน พอกลับไปทิ้งวังก็ถามถามพวกอมาะนะถามเธอเห็นไหมเห็นสตรีนางหนึ่งเห็นไหมอยู่ที่บ้านหลังนั้นหลังนั้นพอเห็นเราแล้วก็เห็นหลบหายไปยการเห็นหลบหายไปในขณะนั้นเหมือนกับเหมือนกับความงามของดว ง, ดวงจันทร์ที่มันหลบหลบเข้าไปในกลีบเมฆเลยหลบเข้าไปในกลีบเมฆแล้ความรู้สึกของความอยากเนี่ยมันเสพสุขเข้าไปที่จิต เสร็จแล้วมันก็มีความกระสันมีความอยากได้มีความต้องการเลยให้ให้อำมาตไปถามดูไปถามก็ดูถ้าเขายังเป็นโสดอยู่เอามาให้เราเขายังเป็นโสดอยู่เอามาให้เราถ้าเขามีสามีแล้วเนี่ยเอาสามีมาหาเราจับให้บอกสามีให้สามีมาเฝ้าเราเนี่ยพอไปก็ ทราบว่าเขามีสามีแล้วก็เลยบอกให้สามีเขามารับใช้ใกล้ชิดหาอุบายเพื่อที่จะฆ่าเขาในยึดเมียว่าจะฆ่าผัวแล้วก็ยึดเมียเนี่ยใช่ไหมมีเรารู้มไหมวิธีการเปาะฮกินของเยลินนี่คืออำนาจของความอยากมันไม่เคยคิดว่าผิดชอบชั่วดีอะไรทั้งหลาไม่เคยคิดเลยในขณะที่มันมองหาเหยื่อเหมือนกับอะไรเหมือนกับเกีียว หรือเหมือนกับนกเข้าหรืออะไรต่างๆที่มันมองหายเหยื่อเพราะเศาสตร์สายตาบา้านี่แสดงว่ามันไปด้วย อ, นอวานาจของความอยากไปด้วยกระแสของความอยากพอไปเจอสิ่งที่ถูกใจกันเนี่ยมันก็ติดกิเลสมันติดทึบถ้าเป็น ถ, ถ้าเทียบกับไฟกับเชื้อนี่ก็อ๋อเชื้อกับไฟต้องกันเอาทึบไมหมทึบเกิด ความกำหนัดความยินดีความรักใครความพอใจเกิดความกระสันเกิดความอยากจะเป็นจะตายเอาให้ใหได้ไหนสุดก็เอาสามีเขาเนี่ยไปรับใช้ใกลชิดหาอุบายหาช่องทางที่จะฆ่าเขาเนี่ยท่นเอหาอุบายหาช่องทางที่จะฆ่าเขาทีนี้้ด้วยความกระสันในผู้หญิงคนนั้นอะ่ะไอ้กลับการเวลาที่จะที่จะให้ได้เขามาเป็นเป็นมเหสีเนี่ย เพื่อที่จะมาเสพสุขเนี่ยโอ้ทำไมรู้สึกมันยืดยาวเหลือเกินเว้คือทั้งคืนวันทั้งวัน้องนอนไม่หลับคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับคืนทั้งคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับทีนี้พอสามีคนนี้เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดมีวันหนึ่งเขาก็บอกบอกในสิ่งที่เหลือวิสัยที่บรุษคนนั้นจะทําได้ให้ไปหาดินสียารุน่น สาบาสีดินเสียรุนนู้อยู่ที่สานดานุยซึ่งสานดานุนก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนใกล้ๆขนาดไหนก็ไม่รู้แหละว่าเธอจงไปเอามาให้ทันเวลาเราสงสนาร ใ, ในตอนเย็นวันนี้สงสนารในตอนเย็นวันนี้ทีนี้ไอบ้บรุษคนนั้นก็ลุกไปแต่เชา้าทนึ่งลุกไปแต่เช้า ว, ว่ารู้ด้วยว่าที่ประชา เอามาให้จะขอรับใช้ใกล้ชิดขณะ น, นี้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีความชอบพอกับภรรยาของยจ้าข อ, เ, าขอเพราะฉะนั้นเพื่อจะต้องใช้อุบายใช้กลโนบายเล่ห์เหลี่ยมอ ย, อย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อที่จะให้จับเราทําโทษเราสักอย่างนึงจนได้แหละทีนี้ในขณะที่ออกไปเอาดินสีอรุณดินสียอรุณก็ดินสีทองอะ่ะไม่รู้เอามายังไงเอามาผสมน้าําสองตอนขํามยังไงไม่รู้เลย กอได้ข้าวไปห่อข้าวไปก่อนจะกินข้าวก็ขอบวงสรวงเทวดาอารักพญานงพญานาคอะไรต่างๆสิ่งใดที่มีฤทธิ์เดชเดชานุภาพนี่ให้มาช่วยให้มาช่วยด้วยว่างั้นแต่ทีนี้เทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังและก็เห็นการกระทาของพรราชาที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมนะักก็เลยมาช่วยว่างั้นก็เลยมาช่วยช่วยย่นระยะทาง ช่วยยน้นระยะทางให้ให้เออให้ไปเอาดินเสียรุนกับดอกบวกัวเพื่อที่จะมาแช่สงสนานเนี่ ย, ยอาบเนี่ยทีนี้เทวดาหรือพยานาคเนี่ยยอนยน้นระยะทางหลังหลังจากบอกเสร็จแล้วก็แบง่งข้าวแบ่งรายแจก อ, อุทิศให้กับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นขเขาได้อยู่ได้กินถือว่าถือว่าเป็นการเผื่อแผ่เขาก็เลยย่อน ยนระยะทางจนระยะทางก็ไปถึงสานโนดะไปถึงสานโนดาพระเจ้าประสิทธิโกษลเนี่ยคิดอยู่ว่าอุบายวิธีที่เราทำนี่เราหวังจะให้เขามาไม่ทันแล้วเราจะเราจะยึดเมียวางั้นเะเราจะทำโทษแล้วก็ยึดเมียแต่ก็มีคิดอีกอย่างหนึ่งว่าบรรดาในโลกนี้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เหลือวิสัยของเขาก็ตาม แต่เขาอาจจะจะได้มาด้วยฤทธเดชเดชานุภาพของเทวบุตรเทวดาของสิ่งมีฤทธบรนดานในเขาก็ได้เพราะฉะนั้นตะวันยังไม่ตกดินอนะ่ะไปสั่งให้เขาปิดประตูซะก่อนละบอกมาว่าให้ให้มาให้ทันมาให้ทันตอนข้าวมันนี้เพื่อที่จะได้สงสนารเนะี่ยเขาก็ไปแต่เช้าอุตส่าห์ไปแต่เช้าแล้วก็มามาทันเวลาอยู่แต่ว่าพระเจ้าเป็นดินอีกสั่งให้เขาปิดประตูตั้งแต่กลางวันกลางวัน ป, ป, ปกติ ไปก็เข้าเข้าเมืองไม่ได้ทอนี้พอเข้าเมืองไม่ได้ก็เอาดอกบัวกับดินเสียดูเนี่ยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นดินอีกแกล้งเจ้าของละแต่งก็เลยมารำพึงรำพันโอ้การที่เรา ม, มีมีเมียงามเนี่ยมันเป็นโทษเป็นไัยอย่างนี้อก็เลยหนีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่หนีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทอนี้ด้วยความ ร, าร้อนร้อนเองไปเยเอภาสีนักที่ก่อสรคือนั้ทั้งคืนนอนไม่หลับ มันกระสับกระใสเกี่ยวกับเรื่องอความใข้ความกำหนัดกับเมียของเขาอันนั้นแหละเห็นไหมนี่คืออำนาจของกามกามทั้งหลายนี่มันร้อนร้อนร้อนมากเหมือนอย่างธรรมบทที่เราฟังตอนข่ำตอนหัวค่ามันดาความร้อนทั้งหลายไม่มีอะไรร้อนแรงเท่ากับอำนาจของกามราคะขิไฟคือราคะ ม, มันร้อนมาก ร้อนบรรดาร้อนทั้งหลายส่วนอำนาจของความกำหนัดความรักใคร่ความพอใจไม่ได้มีอกามกำนัดในกามความเร่าร้อนของกามที่นี่พระเจ้าปเสนท่สุขสนี่นอนไม่หลับคืนนั้นต้คืนนอนไม่หลับก็จับกระสายด้วยอำนาจกามพอดีก็มีมีสันรสนรกสันนรกสี่ตนน่มันโผล่ขึ้นมา สันนรกสีตนเนี่ยเขาตกเขาตกนรกเนี่ยสองหมื 20, ่นปีสันนรกเนี่คือนั่ะนนได้ยินเสียงสันนรกพูดคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าทุกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกสะคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกนาคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกโสได้ยินว่าทุก ส, สัตว์นาโสเจ้าปเสนที่เขายิ่งกลัวหนักเลยท่นนี่ กลัวหนักเสียงอะไรแปลกประหาดัาศจรรย์น่ากลัวเหลือเกินน่ากลั ว, ลวเหลนนอนก็นอนไม่หลับทั้งคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเดือยอำนาจของไฟราคะมันเผา น, นไม่หลับทั้งคืนพอดีวันรุงขึ้นไปก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะวันธุกขึ้นไปก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอดีบรุษคนนั้นก็อยู่ใกล้ใล้พระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ไม่เห็นเจ้าประเสนทิโกศลไม่เห็นพอไปทูลถาม ข้อข้องใจพุทธิเจ้าถ้าก็ลงทรงประยายกว่าไม่ไม่ใช่อะไรดอกโบกีสัตว์นรกสี่ตนเนี่ยเขามีโอกาสโผล่นรกเนี่ยโลหะคุมพีเนี่ยหม้อทองแดงเนี่ยมันลึกแปนหมื่นสี่พันยน์ทีนี้โอกาสที่จะจมลงไปในนรกเนี่ยหนึ่จงหมืนปีจมจากปากหม้อไปลงค น, คนนรกเนี่ย หนึ่งมืนปีแล้วก็พลอจากก้นอ่ามาถึงปากปากหม้อเนี่ยหนึ่งมืนปีมันเหมือนกับว่าถูกถูกต้องอยู่ในหมอ้อตรงเดียงนั้นเถะทีนี้ไอ้ตอนนี้ที่เขามาโล่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขามาโล่ถูกถูกมันเดือดแล้วก็มาโล่ที่ปากหมอ้อพอดีพอโผล่ขึ้นมาเขาก็พูดใด้ทาเดียวว่าทุกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็พลอขึ้นมาอีกแบซา เราก็จงลงไปแล้วคนหนึ่งก็นักคนหนึ่งอีกก็โสอีกเพราะว่าได้แค่คําเดีย ว, วจองลงไปแล้วว่าได้คําเดียวก็จงลงไปว่าได้คําเดียวก็จงลงไปแล้วนี่คืออํานาจของสัตว์นรกที่อยู่ในหมออาา้อกระทงทองแดงอ่ามันถูกกาต้มอยู่ในหม้อนรกกระทางทองแดงทีนี้พระเจ้าประสิะทธิ์ทธิกุศลก็เลยถามความเบื้องหลังว่าสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นยังไงเป็นชนัยพระองค์ก็ทรงตรัสว่า มีสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งมีรูปเศรษฐีทั้งสี่คนนั่นแหละทั้งสี่คนที่จะตกนรกนั่นแหละเมื่อสมัยนั้นเขาเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วเขาไม่ต้องทํามากินมีทรัพย์สมบัติมากมายพอที่อยู่สุขสบายใช้สอยอยู่สุขสบายวันๆเขาก็หาแต่ความสุขหวัง น, นมีอยู่มาวันหนึ่งเขามาพบกันเขามาเจอกันเ้าพูดเอ๊ะสหาย พวกเราทํายังไงเราจะมีความสุขทํายังไงเราจะมีความสุขคนหนึ่งก็ว่าหาของอร่อยๆมากินให้อร่อยคนหนึ่งก็เอาเหล้ามากินให้อเนอร่อยคนหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นไอ้คนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ว่าทำไงเขาจะมีความสุขไอ้คนหนึ่งมีเห็นแตกต่างจากหมู่เลยสหายพวกเรามีคาถาพร ะ, ะ ม, ามาเยอะแยะไม่ยาก เอาไปหาหญิงคนนั้นหาลูกคนนั้นหาลูกเมียลูกคนนั้นให้หาเมียคนนี้มาบำรุงบำเรออยู่อย่างนี้เป็นไปหนึ่งเลียงยังไงยังไงทรัพย์สมบทของเราก็ไม่หมดจากนี้ไปจนตายเราหาความสุขสําราญกับสิ่งเหล่านี้เพราะคนนี้โผล่ขึ้นมาแหละก็เพราะอะไรก็เพราะการบํารุงบาเรอแบบนี้ก็คืออะไรคือคล้ายๆกับจับที่เป็นยอดของกามบรรยายอดของกาม ก, ก, ก็คื อ, คอเพศตรงกันข้ามแหละ ผู้หญิงก็คือผู้ชายผู้ชายก็คือผู้หญิ ง, งนั่นถือว่าเป็นยอดของกามเพราะฉะนั้นเขาจับตรงนี้ก็ถือว่าเขาได้บำรุงบำเบอยอดของกามแหละก็เลยตกลงตกลงปลงใจแต่ละวันแต่ละคืนล่วงไปเขาก็ไปหาอย่างนั้นแหละไปหาจ้างลูกเขาไปหาจ้างเมียเขามาบำรุงบำงเบลจเจ้าของอยู่อย่างนั้นเป็นเ น, นื้องิบพอตายจากรัดสภาพนานไปสหายทั้ง 4, สี่สาหนี่ยก็ตกนรกนี่แหละ ที่ตกนรกหม้อทองแดงเนี่ยผู้ชนะโศนเนี่ยพระเจ้าประเรษษสนทิโกศนฟังแล้วก็ฟังแล้วก็โอ้แทงใจเจ้าของเลยทะนี่เราเนี่กําลังจะโกงอาเมียเขาเนี่ยพระเจ้าประเรสนทิโกศลเนี่ยกำลังลังจะโกงเอาเมียเขาก็าดีเนี่ยพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างนั้นให้ฟังสุดดุ่งเลยจะนี่สรงสะ ด, ดุ้งเลยทีนี้ บรรดาให้เห็นบรรดาให้เห็นบุรุษคนนั้นเห็นว่าเขานั่งฟังเทศอยู่ในนั้นเองก็เลยมาระลึกถึงกรรมของเจ้าของที่เจ้าของจะได้ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ล่วงเกินเพียงแต่ดำริไว้เพียงแต่หาอุบายยังไม่สำเร็จในที่สุดก็เลยต้องขอขมาลาโทษกันแล้วก็ปล่อยไปเป็นไปเป็นอิสระให้อยู่ ให้ทำอาหากินกับภรรยาข อ, ของตนตามปกติเพราะเห็นโทัเห็นไปที่พุริเจ้าทป็นทรงสแสดงอันนีค้คือเรื่องอะไรคือเรื่องของคือเรื่องของขอ ง, ของของกิเลสที่มันออกไปทางตาออกไปําตาแล้วก็หูก็ไปพร้อมจมูกก็ไปพร้อมกลิ่นอะไรมันก็นมาพร้อมมันออกไปหาเสียหาเลยอย่างนั้นแหละนี่คือโดยปกติของของความอยาก ของกิเลสภายในจิตที่มันอยากมันจะมีความหยาดอย่างนั้นแหละอันไหนที่มันเห็นว่าอร่อยที่สุดมันชอบที่สุดในขณะนั้นในตอนนั้นเนี่มันก็จะมาสองมาส่องกลมกลมเงยเงยเลี้ยวซ้ายแล้วขวาส่องหาสิ่งที่มันชอบอกชอบใจพอพอใจที่สุดพอเห็นปั๊บมันก็แป๊บเข้ามาที่หัวใจนั่นมันมัดเอาไว้แล้วนี่เห็นไหมมันมัดเอาไว้แล้ว ทั้งๆที่มันยังไม่ได้พิจารณาใข่ครวนไตรตรองเลยว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั่นมันอะไระมันอะไรในเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสภาพวิสภาพคือตรงกันข้ามเห็นปั๊บก็ชอบอกชอบใจเห็นปั๊บก็ชอบอกชอบใจวามนโนภาพสวยหรูโก้หรูแต่ถ้าเห็นนันจังๆเห็นชัดๆแล้วกลับไปอีกวาวะอึ่ง อันนี้คือภาวะของกิเลสมันจะหลอกเหมือนก้นเหมือนอุบายเหมือนมายาที่ศรัทธาอานาจของความอยากมันหลอกเราเหมือนพยับพยับแดดเหมือนพยับแดดเราไปบนถนนเนี่ยมันจะมีพยับแดดขึ้น แ, ปแ๊ป๊บปัปปป๊บางครั้งเราเห็นเหมือนอย่างงูวิ่งท่ามทางเห็นไหมเพราะว่าถนนมันเป็นคลื่นไม่ใช่ไม่ใช่เราสังเกตกดดูก็แล้วกันเช่นอย่างรถเรากำลังวิ่งไปบนถนนเนี่ยมันจะมีพยับแดดมันจะมีอะไรต่ออะไรมันเป็นภาพลวงอยู่บน บนถนนนั่นน่ะเกิดขึ้นจากความร้อนบ้างอะไรบ้างสัมผัสผิวถนนบางทีเราก็เห็นเหมือนกับงูตัวยาวๆสองเมตรสามเมตรก็มีหนูกูตัวเล็กก็มีหนูกูตัวยาวก็มีแล้วแล้วแล้ ว, ลวาหายไปเลยหายไปข้างใหล่ข้างหนึ่งถ้าเราไม่เส้นเปลี่ยนเราจะเข้าใจาว่าเป็นงูแท้ที่จริงคือผิวถนนน่นะมั น, ม, นมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นมันเกิดมันเกิดเป็นภาพดําๆขึ้นมาพอพอรถเราวิ่งไป ภาพาต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่นิ่งมันก็วิ่งไปเหมือนกันมันเหมือนกับงูวิ่งวิ่งออกข้างทางอะ่ะบางทีก็ออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างบรรดากิเลสที่มันหลอกใจของเราก็ก็เหมือนกับภาพมายาต่างๆเหล่านั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราพิจารณาให้เราพิจารณาเพื่อให้เห็นให้ชัดเจนลงไปว่าที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่เป็นอะไรกันแน่อท่านจึงให้พิจารณา เช่นอย่างกาันบรรเทาราคารบรรเทาราคาคือความกำหนัดความชอบใจในรูปผู้หญิงในรูปผู้ชายเนี่ยท่านจึงให้พิจารณาอสุภะอสุภะคือความไม่งามแต่ในขณะที่เห็นเนี่ยมันไม่บอกให้เป็นว่าเป็นสุภาพเป็นอสุภะเนี่ยแต่เห็นดีเห็นงามเห็นถูกจริตนิสัยใจคอมันก็ยึดเลยเกาะเลยแหละสมมติอย่างคนไม่เคยเห็นเนี่ยแทนที่จะสวยงาม ไม่มีความสวยงามอะไรเลยเราเห็นแปแบบ๊แบๆเห็นแกบบิรแบบิอแยบบ่างนี้มันจับออกมาแล้วจับแล้วกับไม้ไปแล้วโ อ, โอ้คนนี้น่าจะวิเศษวิโสงามอย่างนั้นงามยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดามันว่าจะหลงไปกับอารมณ์ของเจ้า ข, ของนี่เป็นเป็นอารมณ์ภายในใจแล้วก็ เ, เรียกว่าธรรมอารมณ์อ่เป็นสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตเลยที่เรียกว่ารู ป, ปรสัญญามันเกิดวาดเข้าไปที่จิตคีดครุ่นกลุ่ น, น, นอยู่นั่นแหละ วางทีก็ทำท่าเป็นนู้นเป็นนี้ก็ตามแต่ว่ า, าใจมันไม่ปล่อยนั่นนะเขาเรียกว่าอารมณ์ที่มันเกิดมันตกค้างที่จิตเรียกว่าสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นมาภายในจิตมันมาหลอกลวงจิตโดยโด้วยจิตด้วยเหตุที่จิตไม่ได้ไป พ, พิจิตรณาใถค่ควรไปเตรองให้เห็นว่าความจริงแท้ของมันเป็นยังไงคื อ, อยังไงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บันเทาดยการพิจารณา คือพิจารณาตัวของตัวเองน่ะท่านท่านท่านให้ถามว่ามีความชอบชอบอะไรตรงไหนชอบตาต้องให้ย้อนมาดูตาเราชอบหูต้องการให้ย้อนมาดูหูเราชอบหนังให้ย้อนมาดูหนังเราชอบอวัยวะส่วนไหนก็พิจารณาเราแล้วก็พิจารณาเขาพิจารณาเขาแล้วก็พิจารณาเร า, า, า, า, เ, ราเราปฏิคูลโสโครใหญ่เขาก็ปฏิคูลโสโครเหมือนอย่างเรา พิจารณาเห็นความปฏิกูลโชคโรโดยพิจารณา ส, สีสีก็คือผิวผิวผิวเขาเขายิ่งสมัยทุกวันด้วยแล้วเนี่ยเขามีสิ่งทามาทาผิวให้งามดูไปแล้วเนี่ยว่าเขาาว่ า, ว า, ว า, วางามมากเกาะหูเกาะตาของปลอมอะไมันเกาะหูเกาะตาของของคนไม่มีสติไม่มีปัญญามันเกาะอยู่นั่นแหละมันติดมันคล้องอยู่อย่างนั้นแหละ ติดออกติดใจกับอำนาจของวัตถุตามนันแหละปร ะ, ะนั้นท่านจึงให้พิจรารณาพิจารณาสีพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาผิวคือศนะีที่เรียกว่าผิวหนังผิวหนังพอเปอกผิวหนังออกไปข้างในเหมือนกันหมดเยิ้งไปด้วยเลือดเยิ้มไปด้วยเนือ้อแล้วก็ลองดมดูกลิ่น มันไม่มีกลิ่นหอมเหมือนระบบน้ำหอมชั้นดีที่ไหนกลิ่นสาบกลิ่นสางกลิ่นคาวเนื้อคาวเลือดกับคาวงื่อก็คาวเงือก็อกพอออกมาแล้วมาอับตามที่อับอับเชื้อเชื่ออะไรก็มีกลิ่นอับ เ, อเราดูทั้งปากทั้งปากก็มีก็มีมูนปากมีขีดปาก มีกลิ่นเหมนจมูกก็มีขี่จมู ก, กมีกลิ่นเหมนมกลิ่นเท้าดวง ต, ตาก็มีกลิ่นเท้าหูแค่ที่หัวมาดูมาดมดูอืมมันไม่มีอะไรหอมสักอยาแต่ถ้าเป็นกิเลสมันเสกมันสารขึ้นมาเนี่ยต่อให้เน่าเฟะนอนชอนชายยัวเยียยุบ ย, ยับมันก็ยังมีความกำนัดินดีด้วยอำนาจของกิเลสที่มันมีความกำนัดเกาะขึ้นที่ใจเนี่ย กิเลสมันพร้อมที่จะปิดหูปิดตาของเราให้เราเห็นแต่ของเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งตามมันทั้งวันทั้งคืนไม่มีจุดจบเมือนอย่างพระเจ้าประเสรินาทีกุศลเนี่ยเร่าร้อนหมดทั้งคืนเป็นราตรีที่ยาวนานที่สุดราตรีของคนนอนไม่หลับเพราะขสั์ก็สายเรื่องการชอบเมียเขาอะเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรเราจะสิ้นสุดเมื่อไรจะสมบัติเมื่อไรจะได้ทําไม่ได้วิสัยของพระพุทธเจ้า พระพุทธานุภาพเนี่ยกับพร้อมที่จะเป็นสัตว์นรกเ่ยเหมือนสัตว์นรกสี่ตนนั่นแหละ น, นี่ก็เช่นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาธรรมจรึงให้ปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมคือ ศ, ศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือให้ย้อนมาดูตัวเองย้อนมาดูกายของตัวเราย้อนมาดูจิตของตัวเราเพราะถ้าเราไม่ย้อนมาดูเราก็หลงหลงจิตตัวเองหลงกายตัวเองเมื่อหลงกายตัวเอ ง, ล ง, เองแล้วก็หลงกายของคนอื่น ก็เลยตกอยู่ในอำนาจของกิเลสทั้งหมดกิเลสไม่มีเหตุผลดอกถ้าเผื่อมันชอบใจมันพอใจอะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะให้เราไปต่อไปรอเอาเห ต, เหตุเหตุนั้นผลนั้นไปไปงัดไม่มีกิเลสไม่มีเหตุผลท่านจึงให้ย้อนมาพิจารณาเอาธรรมมาพิจารณาพิจารณาตัวเขาพิจารณาความปฏิกูลความโสโครกที่เขเรียกว่าสุพันพิจารณาให้เห็นว่า มมตพิจารณาถึงความไม่สะอาดอหรือก็ไม่พิจารณาหเห็นเป็นตายเงี้ยตายขึ้นอืดขึ้นอุ่ขนขึ้นพองอแล้วก็จะเริ่มเน่าแล้ก็จะเริ่มเปื่อยน้ำเหลืองเยิ้มมีแมงวันมามาปล่อยลูกใส่อปล่อยลูกเป็ น, เ ป, นเป็นใส่ลงไปก็ ช, ช้อนชยุบยับยุบยับยุกยับย บ, บางทีก็มาไข่ลงไปแล้วก็ฟักออกมาก็าเป็นตัวหนอนเป็นแสน ช่อนใยโยเยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ยุบยับโยเยยุบยับเจาะช่อนใยวันคืนล่วงไปมันก็เปือยมันก็เน่ามัหลุดมันก็ร่วงไปทั้งดำทั้งเขียวทั้งแดงนะพอมาถึงตอนนี้เราก็กำหนดูกลิ่นกลิ่นขนาดไหนกลิ่นของสิ่งปฏิกูลเปืยเน่าขนาดนั้นนะเราดูแล้วเราสื่เสียแผ่นมันบรรเทาราคาได้นะมันบรรเทาความกำหนัด มันมันเท่าความเยิยนดีในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนกับโล่เราพิจารณายกขึ้นมาปอกป้องไม่ให้มันเกิดความกำหนดความเยิยนดีเท่ากับว่าเราเอาโล่มาปอกป้องอาวุธจักฆ่าศึกษัตรูนี่คืออาวุธที่พระเจ้าท่านส่งมอบให้กำหนดพิจารณาปฏิกูลมสุพัฒน์มสุพังดูไปจนเห็นความจริง ถึงแม้ว่าความจริงยังไม่ปรากฏแต่ว่าไอความปฏิกูลโสโครกถ้าเผื่อมันปรากฏที่จิตเมื่อใดแล้วมันจะทําให้เราเกิดความเบือ่อเกิดความน่ายเกิดความซึ้งใจทําให้ใจดีถอยอมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ปล่อยให้ล่องลอยจนลืมเนื้อลืมตัวเพลิดเพลินไปจนลืมเนื้อลืมตัวย้อนมาดูทีลรกาหนดมาดูทีไร ก็ทำให้เราเกิดความเบือ่อเกิดความนายเมื่อเกิดความเบือ่อเกิดความหนายความเบือ่อความนายอันนั้นแหละมันไปเปลี่ยนอารมณ์ที่ใจ bringt. เพราะว่าใจของเรามันขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์ให้มันรักมันก็รักอารมณ์ให้มันชังมันก็ชังอารมณ์ให้มันเกลียดมันก็เกลียดมันแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ที่จะมากระทบที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเมื่ออารมณ์มากระทบยังไง เหตุเป็นยังไงผลก็จะเป็นไปอย่างไ น, นทีนี้ท่านให้เราดูเพื่อบันเทาสี่งเหล่านี้เลยดูไปดูไปดูไปดูไปถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ความกำนัดความวย็นดีในความรักในความอะไรมันก็ขึ้นไม่ได้ที่ตันเรียกว่าสสัญญาสัญญาถ้าเราได้รูปธรรสัญญากําหนดที่ไรเราก็ได้ได้รับความสงบอืม เอาสิ่งเหล่านี้มาปกป้องทีไรเมื่อไรแล้วับความกำหนัดในรูปหญิงรูปชายเนี่ยมันก็จะชะลอไปมันก็จะเบาไป อ, าอย่างที่ว่าน่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอาศุภะอาศุพังความปฏิกูลโสโครของร่างกายสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่พระพุธทธเจ้าทังสมงมอบให้ให้เรามาพิจารณาให้เห็นในในกายของเราในกายของเราที่ว่าเป็นส่วน ญ, ญ่ ถ้าเราจะไม่พิจารณากายเราไปพิจารณาจิตจิตเป็นเรื่องที่ละเอีอยดขึ้นไปอีกเราเห็นความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงที่ท่านเรียกว่าที่ท่านเรียกว่าอนิจจังอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ทั้งอนิจจังทั้งทุกขงังมันเป็นไปตามภาวะของมันเราไปบังคับบัญชาเราไปดัดแปลงไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตามากำหนดพิจารณาสิ่งเหล่านี้หลย เหมือนกับโล่เรามาปกป้องตัวเราเองหรือไม่ฉอย่างมาบรรเทาราคาบรเทาความกำนัดอินดีในรูปผู้รูปชายท่านก็ให้ยกปฏิกูลโโคร่ออสุภะอสุพังมากำหนดมาพิจรารณามากาหนดมาพิจารณาจะคนเก็นเก็นธรรมดาแล้วก็ดูดูสิ่งปฏิกูลมันไหลออกมา มันไหลออกมาทางผิวหนังตามคุมคนมันไหลออกมาทางปากนอนน้ำลายเยิ้มมันไหลออกมาทางหูขี้หูออกอามาทางตาที่ตาออกมาทางจมูกขี่จมู ก, ออ ก, นนกออกไปทางทวารหนักออกไปทางทวารเบาสิ่งที่ไหลออกมาแต่ละช่องแต่ละช่องมันไม่มีสิ่งน่าชื่นชมยินดีอะไรมีแต่สิ่งปฏิกูลโสโครกน่าดังเกียด หน้าเบื่อหน้านายนี่ท่านให้กำนหนดพิจารณาการที่เรามารู้มาเข้าใจดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการรู้เห็นตามที่มันมีจริงของมันมันเป็นจริงของมันแต่ถ้ า, ากิเลมันเสกสรรให้เราดูมันเห็นว่าเหมือนโอ้ยมันยิ่งกว่าก้อนเพชรก้อนพอยก้อนทองะเป็นสิ่งดิบ ด, ดีมีค่าของมันทั้งนั้นแหละถ้าเผื่อเป็นผู้เป็นคนเป็นอะไรกับโอ้ยจะรับจะกลืนนะถึงขนาดนั้น มันให้ความสำคัญแท้ๆถ้าเรามองแบบกิเลสเราดูแบบกิเลสแต่ถ้าเราดูแบบกิเลสดูยังไงก็ไม่เห็นของจริงไม่เห็นเรื่องจริงเห็นแต่ภาพมายาของมันเราต้องดูเกี่ยวกับธรรมต้องดูเรื่องธรรมถ้าเราดูเรื่องธรรมแล้วเนี่ยสภาวะตามที่มีจริงเป็นจริงของมันจะปรากฏที่ใจของเราเมื่อสภาวะธรรมมันปรากฏที่ใจเราใจของเราก็จะเริ่มยอมครับยอมรับความเป็นจริง โอ้รังกายของเราปฏิกูลอย่างนี้จริงๆโศคร้อยอย่างนี้จริงๆอสุพะอสุพังอย่างนี้จริงๆธรรมะท่านบอกว่าอสุภะอสุพังแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันบอกเราว่าสุพะคําว่าสุภะแปลว่างามอสุภะแปลว่าไม่งามสุภะสุพังสุพังก็คือสุภะสุพังก็คือันเดียวกันแล้ว สุภาก็คืองามสุพังก็คืองามอาสุภาก็คือไม่งามอาสุพังก็คือไม่งามมั น, นเป็นศัพท์ภาษาบาลีถ้าให้เลียมองมันมองเป็นเห็นเป็นงามไปหมดแต่ถ้าให้ทำมองเนมองเห็นปฏิกูลโสโครอบไปหมดนี่อันนี้จำทุกครั้งหน้าตาปฏิกูลอสุภาอาสุพังถ้าเราจะเทียบว่าสิ่งเนี้เป็นคู่มือในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับว่าเป็นโล เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อปกป้องไม่ให้อะไรเพื่อปกป้องไม่ให้อัตตาโผล่ขึ้นมาตัวตนโผล่ขึ้นมาเพื่อเราทราบตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหนี้เป็นอนิจจังคือไม่ไม่เที่ยงไม่คงทนเรามีความเห็นว่าเที่ยงว่าคงทนเพื่อปกป้องไม่ให้มันเห็นว่าเป็นสุขเอาความทุกข์ ม, มาปกป้องว่าไม่เห็นไม่ให้เห็นมันว่ามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสุขแท้จริงมันเป็นทุกข์ กิเลเมันเสกว่าเป็นสุขมันไม่เที่ยงตะเกเรมันเสกว่าเที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่กิเรมันตะเลเมันเสกว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็เลยหลงมันหลงไม่รู้กี่ทบหลงไม่รู้กี่พับหลงทับททับกันทับทมกันจนจนไม่มีที่จะชอนชัยเห็นทางออกเลยจมปลักอยู่กับมันจมปลักอยู่กับมันทวันทั้งคืนยืยนเดินทั้งนันตลอดทั้งภบทั้งชาติ ชาดแล้วชาดเล่าชาดแล้วชาเราไปจ้องปรับอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่สิน้นถ้าไม่มาศึกษาเรื่องอาธรมุษธคือขอ้อปฏิบัติเราเอามาเป็นข้อกำกับเพราะสิ่งเหล่านี้นี่มันหมกมุ่นอยู่กับจิตของเราถ้าเราไม่ย้อนมาดูเรื่องความจริงต่างๆเหล่านี้เราปล่อยให้แต่ความอยากมันทะลักออกมาความพลักของความอยากออกมาเนี่ยมันไม่เคยแปรนิเราอะไรคือเหยื่อที่มันชอบที่สุดมันต้องการที่สุดมันก็แสวงหานั้นแหละ เสร็จแล้วมันก็เสพสุขเข้าไปที่ใจแท้จริงกายเป็นเครื่องมือของใจเขาต้องการเขาต้องการความสุขเขาเสบสุขไปที่ใจเขาเอาตากับรูปนั่เป็นสะพานเชื่อมแล้วเขาเสบสุขไปที่ใจเมื่อมันเมื่อ ม, มันไม่ได้ความสุขสงใจเขาก็เาก็ได้เาก็ได้ความทุกข์เข้าไปในสุดวันคืนล่วงไปเราก็คอยรับเอาแต่วความทุกข์ อยากที่กิเลสมันเซกให้เราแบบปลอมๆนี่แหละต้องการให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็ผิดหวังต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เราก็ผิดหวังเพราะเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามผลเอาความอยากเข้าว่าเราสังเกต ด, ดูคนอยากเช่อนอย่างคนไล่เดียงสาภาวะเบื่อเ อ, อืออะไรเอยที่เขาใช้อะไรตามมาหน้าของความอยากจะไม่มีเหตุมีผลแหละ อยากได้อะไรก็อยากได้อย่างเดียวกระทืบมือกระทืบตีนอย่างเดียวไม่คานึงถึงเหตุถึงผลทั้งอะไรถึงของกิเหลียสเช่นเดียวกันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีต้นไม่มีปลายแต่ถ้าเป็นเรื่องของเขาแล้วก็เป็นของเขาหมดทั้งก้อนทั้งก้อนทั้งแท่ง ท, ง, งทั้งดงที่อยู่ภายในจิตท่านจึงให้ศึกษาธรรมจึงให้ปฏิบัติธรรม เพราการศึกษาทําการปฏิบัติธรรมคือการย้อนมาดูเรื่องจริงของจริงที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่ในกายกายเป็นรูปธรรมจิตเป็นนามธรรมกายเป็นรูปธรรมจิตเป็นนามธรรมกายเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เกิดขึ้นมาจากสมุทยัยสมุทัยก็คือกิเลสนั่นแหละเราทําอย่างไรอย่างหนึ่งตามอำนาจของกิเลส เป็นเหตุให้ให้ให้ได้รับผลเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นอำนาจของจิตที่เขาอมอำนาจของกรรมเต็มแปร่อยู่นั่นนะทำให้จิตดวงนั้นได้ไปเสวยพบชาติพบชาติมนุษย์บ้างพบชาติสัตว์บ้างพบชาติเทวดาบ้างพบชาติสัตว์นรกบ้างตามอำนาจของจิตนั่นแหละที่มันมีผลอำนาจของกรรมเพราะว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นมันทากรรมพอทากรรม อะไรครัมันก็ได้พิบากกรรมมันได้พิบากกรรมร่างกายนี้เป็นพินบากกรรมร่างกายนี้เป็นกองทุกข์กองทุกข์ที่เกิดขึ้นมาได้จากอำนาจของกิเลสกิเลสท่าเรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วอะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยถ้าเราจะไลยไ่ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปทุกข์เป็นผลมาจากเหตุคือสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ สมุทัยสมมติเราจะตั้งสมุทัยเป็นผลอะไรเป็นเหตุทําให้เกิดสมุทัยขึ้นมาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสมุทัยขึ้นมาองค์ติจ้าท่านไม่ทรงพยากรณ์ท่านไล่ย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปท่านท่านให้คําว่าอาวิชชาอาวิชชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ กลาเป็นสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารก็คือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปที่เรียกว่าสังขารสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปที่เรียกว่าสังขารเรายกตัวอย่างเช่น อ, อย่างปูนอย่างเงี้ยปูนเนี่ ย, ป เ, ยเป็นสังขารมันมาจากหินจากทรายจากปูนอ่าหรือถ้าเป็นคอสรอในความกีดเสริมเหล็กก็มีเหล็ก แล้วก็มีน้ําสงเข้าไปผสมเป็ดเสียบเรียบร้อยเขาเขาไปเทในบล็อกให้เป็นรูปอะไรให้เป็นรูปเสาให้เป็นรูปตอมหม้อให้เป็นรูปวิหารให้เป็นรูปเจดีย์ให้เป็นอะไรทําได้หมดนั่นคือสังขารสิ่งหลายๆสิ่งไปรวมกันกลายเป็นสังขารจิตของเราเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจของความไม่รู้ด้วยอำนาจของความไม่รู้นั่นแหละเลยกลายเกิดสังขารขึ้นมาแล้ะกลายเป็นสังขารขึ้นมา กหลายขึ้นมาเป็นสังขารแล้วก็เป็นเหตุให้นึกให้คิดเป็นเหตุให้นึกเป็นเหตุให้คิดเป็นเหตุให้อยากด้วยอำนาจของความอยากในเมื่อมีสังขารต้องมีอำนาจของความอยากมีแหละเป็นที่มาของกิเลสแหละเป็นที่มาของกิเลสความไม่รู้นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดสมุทยัยสาเหตุเหตุผลต้นต่อมาจากไหนท่านท่านไม่ว่าท่านไม่พยา ก, กรไม่เหมือนศาสนาอื่นเขาบอกว่าคนนั้นสร้างโลกคนนี้สร้างโลก แต่พุทธเจ้าท่านชี้ไปที่แบบเรามีกายเกิด เ, ก, ดดเกิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเรามีจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเกิดขึ้นมาเมื่อไหรเพราะว่าไม่ทรงพิยคอนพิยคอนแต่ว่าอวิชชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารเนื่องจากว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารประกอบมาเป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างประกอบประกอบมาเป็นจิตประกอบมาเป็นวิญญาณแล้วประกอบมาเป็นรูปประกอบมาเป็นนาม สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะตาหอจมูกริ้นปายใจเมื่อมันมีอายตนะเสร็จแล้วมันก็มีผัสสะคือมันกระทบกันเมื่อมีการกระทบกันแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนายินดีพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ยินดีไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนา เก็บแสบปวดร้อนก็เป็นทุกขเวทนาอยู่สุขสบายสม่ำเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นสุขเวทนาเนี่ยปัจจัเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหานี่เรายินดีมันก็เป็นตัณหาเรายินร้ายมันก็เป็นตัณหาเพราะมันเป็นสายของมันยินดีก็เป็นตัณหายินร้ายก็เป็นตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานยึดเอา เพรา ะ, ะยึดดีมันก็เป็นอุปาทานยึดร้ายมันก็เป็นอุปาทานยึดยังไงมันก็ได้ได้พบได้ชาติที่เราจะต้องไปเกิดอย่างนั้นอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติเมื่อมีพบแล้วเราจะต้องไปเกิดในพบซึ่งกลายเป็นชาติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะมีทุกข์มีโทมนัสสัมมีอุปาญาตทุกกระทลมตรองเหนียวแห้งใจ หายสุดเหมือนกับระลอกคลื่นนั่นแหละเกิดขึ้นเหมือนเกิดขึ้นจากต่อมสมมติอย่างน้ําเนี่ยน้ํานิ่งๆเนี่ยเราเอาก้อนหินไปโยนจมลงไปมันก็เป็นคลื่นคลืน่นก็ตีป๊าป๊าป๊าป๊ตรงที่มันเกิดแล้วแล้วลอกไปแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ฝั่งไอ้ตรงที่มันเกิดคือจมลงไปนั่นแหละเกิดคลื่นขึ้นมาแล้วตีกันเป็นระลอกแล้วอกแล้วระลอ ก, ลอกมาถูกฝั่งแล้วก็หายไปถ้าเราจะเทียบกันนันก็ว่ามันเกิดมันก่อขึ้น ก่อขึ้นแล้วก็เจริญแล้วก็ดับไปก่อขึ้นแล้วก็เจริญเป็นไปแล้วก็ดับไปก่ขอขึ้นเจริญแล้วก็ดับไปนี่คืออำนาจของกิเลสมันเกิดขึ้นมาจากวิชาความไม่รู้เป็นปัญหาที่เราถามว่าในเมื่อทุกมาจากสมุทยัยสมุทัยมาจากไหนสมุทัยก็คือตัววิชาที่ท่านบอกว่ามาจากความไม่รู้ความไม่รู้มันมีที่ตั้ง หลวงปู่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทีติพูดตัง้งความไม่รู้รอวิชชาเนี่ยไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาลอยๆมันมามันมีที่ตั้งของมันที่ตั้งของมันก็คือผู้รู้เอาเป็นว่าผู้รู้เลยเป็นฐานที่ตั้งของของข อ, งอวิชชาผู้รู้ผู้รู้คือจิตคือธาตุรู้ที่จะเรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุคือจิตของคนเราเนี่ยจิตของคนเราเป็นธาตุรู้ อวิชชามันตั้งบนาธาตุรู้นี่แหละแสดงว่ า, าธาตุรู้นี่ยังยังไม่ได้พัฒนาตัวเองยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรอะไระไรงไรก็ไม่มีใครทราบเลยพรพุทธเจ้าท่านเราไม่สุภิญโกรโกท่านท่านเพียงแต่ บ, บอกว่ า, าธาตุรู้เนี่ยมันไม่รู้จริงมันอวิชชาอย่างนยังยึดนุ่นยึดนี้ยึดสารพัดอยู่อมันเป็นาธาตุที่ยังไม่ได้พัฒนาไม่ได้ขัดเกล่ ให้เป็นเอกเทศโดยตัวของตัวเองคือมีแต่ธาตุหูอย่างเดียวมันยังมียังมีงมาธาตุอื่นอย่างอื่นเคลือบเข้ามาแฝงเข้ามาที่กลายเป็นสังขารมีสองมีสามมีสี่มีห้า ม, ม, มาปนกันแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปเรื่อยบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเวลาประกอบกันแล้วนี่มันก็จะเปลี่ยนตัวของมันไปเรื่อยมันทํางานอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบของมันเ อ, อเรายกตัวอย่างเช่นอย่าง รูปประทมรูปรูปกายของเราเนี่ยเราเราได้มาจากไหนเป็นของเก่าแก่มาจากพ่อมาจากแม่สังขารร่างกายของเราเนี่ยเราได้มาจากพ่อมาจากแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันไปผปสมกันแล้วก็เจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่นั่นะ่ะไปเป็นสังขารแล้วไปรวมกันแล้วสังขารฝ่ายพ่อกับสังขารฝ่ายแม่ไปบวกกันกแล้วก็สังขารที่เป็นนามธรรมก็คือปฏิสนธิวิญญาณก็เข้าไปจับจอง เมื่อเข้าไปจับจองแล้วก็ไอ้ก้อนเนื้อก้อนเลือดอะเล็กๆนั่นแหละค่อยเจริญขึ้นมาเมื่อเวลาเข้าไปรวมตัวกันแล้วเนี่ยอน้ําก้อนนั้นเนี่ยจากไม่คงที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจากน้ําใสเล็กๆเท่ากับน้ําน้ํามันงาที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามรีซึ่งถูกสลักไปแล้วเกดครั้งเรามองไม่เห็นเรามองในตาเปล่าไม่เห็นที่ธาต ของพ่อกับธาตุของแม่ประสมกันอยู่ในท้องแม่อ่าแต่มีมีวิญญาณธาตุมีวิญญาณธาตุปฏิสัทธิวิญญาณเข้าไปเกาะเกี่ยวแล้วก็เจริญพัฒนามาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยโตมาเรื่อยๆขยายตัวมาเรื่อยแก่ขึ้นมาเรื่อยภาษาธรรมะท่านว่าแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยจากน้ําใสๆมาเป็นน้ำข้นๆมาเป็นเป็นเลือดข้นๆมาเป็นก้อนเนื้อข้นๆก็โตเจริญขึ้นมาเรื่อยเกินมาเรื่อยเจริญมาื ส อ, อาทิตย์สามอาทิตย์สอาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนโตขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นปัญจสาข า, ามีแขนสองมีหัวหนึ่งมีลําตัวมีขาโตมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยวัยวะทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นตามภาวะของความเป็นสัตว์าตามภาวะของความเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เป็นไปตามพันธุ์ของสัตว์เป็นอะไรครับรูปร่างลักษณะก็เป็นไปตามนั้นเกิดมาเป็นคนผิวพันธุ์ ตามเชื้อชาติยังไงก็เป็นไปตามนั้นโดยวัฒนาถาวรขึ้นมาเขบอาการสาทุพสองออกมาไม่มีการอยู่กับที่ขยับขยายทั้งโตขยับขยายทั้งการเวลาขยับมาเรื่อยมาเรื่ออกมาออกมาเป็นเป็นทารกเป็นเด็กเป็นอะไรเป็นโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่ตายอีกในที่สุดอย่างไรสังขารตัวนี้นับตั้งแต่เราได้มาเขาไม่เคยคงที่ นี่คือสังขารตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการคงที่จะเปลี่ยนตัวเองไปด้วยเปลี่ยนตัวเองไปื่อยเปลี่ยนตัวเองไปด้วยอันนี้ถ้าเราเรียนภาสาวิทยาศาสตร์นะครับจะรู้จักดีการเขาผสมเคมีนั้นเป็นงานเคมีเคมีนั้นเป็นเป็นงานธาตุต่างๆเหล่านั้นหนึ่งธาตุสองธาตุสามธาตุผสมธาตุนั้นกลายเป็นธาตุนั้นเหมือนอย่างสิ่งมีชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นเช่นอย่างใบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ย มันตกลงไปแล้วมันทับถมมันทับถมถูกน้ําถูกอะไรแล้วมันถูกมันพังอะ่ะอ้าวกลายเป็นเห็ดขึ้นมาแหล่นะไหมกลายเป็นเห็ด <_ S 1> เห็ดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจเจริญอยู่ตามอายุไขยัยแบบตัวเน่าทิ้งไปแม้แต่ต้นไม้บางสิ่งบางอย่างเขาก็สามารถสามารถไปประสมให้กลายกันนีให้กลายเป็นนี้ก็คืออะไรก็คือสังขารนี่แหละมันไปรวมตัวกันแล้วมันจากสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งนี้จากสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งนั้นสังขานี่เองในเมื่อมันตั้งตัวขึ้นมาได้ มันไม่อยู่กับที่มันต้องเปลี่ยนตัวมาเองอันนี้กูฏิญาตันทรงตรัสว่าความทุกข์ทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่กับที่ไม่ได้เป็นทุกขงังแล้วก็จากทุกข์ังก็เป็นอนิจจังเมื่อทนอยู่ไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทุกขังกับอนิจจังท่านจึงว่าถ้าจะว่าอันเดียวกันก็ใช่ทุกขังยังไงอนิจจังไปอย่างอย่างนั้นอนิจจังยังไงทุกขงกังไปอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงการเรียกอิริยาอาการที่เพิ่มข้ามาเท่านั้นเองทีนี้ทั้งอนิจจังทั ง, ท ง, ทงเนี่ ใครจะไปบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่จิตใจของเรานี่มันมาเป็นเจ้าของร่างกายเนี่ยมันมาเกาะนับตั้งแต่ปฏิสนธิมาถือว่าเป็นสมบัติของมันมันก็ไม่ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้จิตใจไม่สามารถจะบังคับบัญชากายได้ลักษณะของอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่หมายความว่ า, วาไม่ให้ดื่มไม่ให้คิดไ ม, ไม่ให้ทำนี่ไม่ให้ทํานี้ทำไมทำไมให้ัก ใ, ให้เกิดไปตามใจเราทําได้ อันนั้นท่านไมว่าอันนั้นมันไม่เป็นเหตุของสัจจสัจจของสัจจะที่แท้จริงสัจจะของสัจจะที่แท้จริงก็คือความไม่คงที่ของมันความเปลี่ยนแปลงของมันนี่คื อ, อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่คงทนแบบนี้แหละแต่ถ้าหากกิเลสมันให้เราดูมันจะไม่ให้เราดูว่าอย่างนี้มันมันจะเสกมันจะกระซิบกระซาบจิตของเราบอกว่าร่างกายนี้เป็นนิจจังมันไม่อยอมแก่นะร่างกายนี้เป็นทุก แต่มันบอกว่าเป็นสุขสุขขังธ์กิเลมันบอกเป็นสุขทั้งๆที่ร่างกายนี่เป็นอนัตตายึดถือบังคับบัญชาเนี่ยมันก็บอกว่าเป็นอัตต์มันจะทําให้เรามองเห็นเป็นตรงข้ามกิเลมันจะให้เรามองเห็นเป็นตรงข้ามคือความอยากอํานาจของความอยากเพราะฉะนั้นความอยากนี่แหละที่มันมาปั่นจิตมันมาปั่นทําให้จิตของเราเนี่ปั่นป่วนแทนที่จะให้จิตได้รับความสุขได้รับความสดใสสว่างสวยก็ทําให้จิตนได้รับความทุกข์ มันทุกข์ยังไงทุกข์เพราะมันไปคาดนั้นมันไปเดานี้กะไอ้นั้นให้เป็นอย่างนั้นกะอันนี้เป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เขากะนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่มันไม่รู้ว่าใครมากะเขาอ่ะมันเป็นไปตามภาวะของมันเมื่อไม่ได้ไม่ได้สมบัติไม่ได้ตามใจก็ได้รับความทุกข์นี่เลยวันคืนล่วงไปถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็คอยนั่งรับทุกข์นั่งแบกทุกข์จากกิเลสมันมันไปหามาให้เราเป็นวันเป็นวันนั้นไม่จบไม่สิ้น เราที่แท้จริงความจริงไม่ปรากฏแก่เราสมุทัยที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุไดด้วยเหตุใดเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจกำหนดดูตัวราในแต่อกองทุกย้อนไปดูตัวสมุทยัยคือกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตดูไปตรงที่ความอยากความอยากของจิตพอเราย้อนไปเราก็เห็นความอยากโผล่มาพอเราย้อนไปเราเห็นความอยากโผล่มามันก็จะหลอ ย้อนไปมันก็จะหลอย้อนไปมันก็จะหลอ่อฉล้อหนักๆเข้ามันกำมือเข้ามันลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยลบอไปเรื่อย จ, จางไปเรื่อยจืดไปเรื่อยจางไปเรื่อย ffee. สติเราก็ดีขึ้นปัญญาเราก็ดีขึ้นสุติสมาธิปัญญาเมื่อประกอบกันมีกําลังมากเข้ามากเข้าอาวิชชาตัวนั้นมันก็ค่อยเหือดไปแห้งไป ensuring, Grill, in, Strong, etas, ไเหือดไปแห้งไปจางไปจางไปกลายเป็นวิชชากลายเป็นวิชชาทีนี้ท่านบอกว่าเมื่ออวิชชาดับกลายเป็นวิชชาแล้วเนี่ย สังขารก็ดับเมื่อวิชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับคําว่าดับนี่คือดับอะไรคําว่าดับคือดับความอยากอ่าไม่ใช่ดับอย่างอื่นนะดับความอยากดับความอยากยังมันยังมันยังไม่ถึงลำดับของขั้นของความอยากแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นตามพลังของอำนาจของความอยากที่มันผลักดันกันมาเรื่อยๆวิญญาณก็ดับรูป รูปนามก็ดับยตนณดับผัสสัดับเวทนาดับคำว่าเวทนาดับไม่ใช่ไม่ให้ตัวเวทนาไม่มีนะคือความอยากในเวทนาไม่มีเวทนาดับตัณหาดับภพดับชาติดับคือชาติดับคือคือไม่มีภพที่จะไปเกิดเมื่อมีไม่ไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีแกไม่มีเจ็บม่มตายดับไปสุดสายนี่เขาเรียกว่าสายนิโรนิโรธวาระ ถ้เป็นสายของกิเลสแล้วก็อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเืิวิญญาณอันนี้เป็นหลักที่พุทธิจถาทังสงพิจารณาพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามาและวพระองค์เข้าหลักมาเข้าหลักของปฏิปฏิยสมุปบาทนี่แหละทําให้พระองค์ทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะในวันวันเกินเดือนหกนั่นเพราะตรงนี้เป็นข้อเป็นข้อเท็จจริงเป็นหลักของอริยสัจทั้งสี่นริยหลักอริยสัจทั้งสี่ก็อยู่ในนี่แหละ อ, อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคือพิจารณาเพื่อทําลายของทุกเพื่อทําลายความทุกเพื่อมาสาวหาสาเหตุต้นต่อการที่เราจะรู้จะเข้าใจอย่างนี้ได้เราจะต้องมาท ำ, ทำตามข้อปฏิบัติอยา่างพระพุทธเจ้าท่งสอนให้เราสร้างบารมีนับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเจริญสมถะกรรมฐานอิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่รทรง ส, สอนให้พวราชาวพุทธ วางเป็นพื้นเป็นรากเป็นฐานในการสร้างคุณงามความดีการตั้งใจให้ทานมันก็เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานการตั้งใจรักษาศีลก็เป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อเพื่อกิตของเราเพื่อกรรมที่ดีของเราเราจะมีที่เหยียบเหยียบเพื่อที่จะทำงานทำงานคืออะไรทำงานคือสมาธิคือปัญญารักษาศีลเพราะว่าศีลก็สมรถฌนุสมาธิสมาธิก็สมัถฌนุปัญญา เมื่อสินเราไม่ดีสมาธิเราก็จะไม่ดีเพราะความที่จิตมันมีเรื่องมีราวเนะี่ยมันก่อขวนตัวเองเวลาเราเราต้องการให้สงบมันสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสินเมื่อมีศินแล้วเราก็ไม่ดังพร้อยมันเนีเมืม่อเราไม่ดังพร้อยเราก็ไม่มีไม่มีรอยอะไรที่จะมาทิ่มแทงให้จิตของเราเนี่ยต้องว่อกแวก ค, คลอนแคลนเราก็มานั่งภาวนาให้จิตได้รับความสงบมันไม่มีเรื่องนั้นผลามากวนเรื่องนี้นโผลามากวน จิตมันก็พร้อมที่จะได้รับความสงบมันสงบนี่มันยังไงมันสงบมันสงบก็คือมันอยู่กับตัวมันเองมันอยู่กับที่มันไม่ไปหน้ามาหลังถ้าเราให้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็อยู่กับอารมณ์นั้นไม่ใช่มันจับขณะนี้และขณะหน้ามักระโดดไปนู่นขณะหน้ากระโดดไปนู่นแต่ละขณะแต่ละขณะกบเปลี่ยนไปเลยโดดหาที่เกาะเรื่อยนั่นคือความไม่สงบความสงบก็คือมันอยู่กับที่ อยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอย่างเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็อยู่กับอารมณ์ของมัพุโทโธพุโทโธพุทโธมีสติกำกับมีสัมผัสัญญยกทำกับทำไปเรื่อยๆดัดเส้นการจนพอกว่าจะอยู่กว่าเขาจะอ่อนมาอยู่ะระ้ับพร้อมที่จะทำงานทำการได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็ค่อยๆจะเริ่มรู้หลักของสัจธรรมทั่วๆไปแล้วก็น้องนำมาพิจารณาพิจารณาคือพิจารณ า, เ ร, ณาเรื่องไตรลักษณ์นี่แหละ เพื่อสาวหาสาเหตุต้นตอความเป็นจริงเพื่อทําลายความรุ่มหล ง, งตัวเราเองเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็รุ่มหลงไปเรืรุ่มหลงวันคืนเราก็อยู่กับความรุ่มหลงกิเลสพาเราหลงท่านท่านว่าภาษาธรรมะท่านว่ามีตาก็มีตา ก, กระ ท, าทาบตาบอดมีหูก็กรกับหูหนวกเพราะว่าความจริงไม่ปรากฏทางตาความจริงไม่ปรากฏทางหู ทำจมูกทำทิศทางกายแม้กระทั่งทา ง, าทางใจความจริงไม่ปรากฏปรากฏแต่ความปลอมกับจองปลอมกับของปลอมกิเลสเป็นของปลอมมันเสกสรรปั้นแต่งให้รับทุกระยะทุกเวลาอทุกขณะจิตอืถ้าเราไม่ศึกษาเราทั้งเราเนี่เป็นพื้นเป็นเพเป็นเนื้อเป็นเนั้ของมันทั้งหมดแล้วแต่มันจะจับเราไปใช้ยังไงเสกสรรยังไงยังไงในที่สุดเราก็ไปโกยแต่กองทุกข์ามา ให้เราพอใจยินดีวิ่งเต้นกับเรื่องนั้นโกยกองทุกข์เข้ามากองทุกข์ที่กิเลสได้ครับไปจําวันเป็นอาจินที่กิจของเราได้รับจากกองทุกข์คือกิเลสไปจําวันเป็นอาจินก็คือความผิดหวังผิดหวังเนื่องจากกิเลสมันหลอกมันหลอกจิตของเราไปวันวันมันหลอกว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ผิดหวังเสียใจละ่ะได้รับความทุกข์ละคิดไปคิดมาคิดมาต้องการจะกะนั้นต้องการจะเกณฑ์นี้ เกณฑ์ไม่ได้เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไปตามอำนาจของเขามันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของใครเกณฑ์มันไม่มีใครเกณฑ์ท่านเรียกว่าสภาวธรรมความมีอยู่อย่างนั้นของมันความเป็นอยู่อย่างนั้นของมันท่านเรียกว่าสภาวธรรมและความทรงตัวอยู่อย่างนั้นของมันเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมธรรมธรรมคือทรงอยู่ตามสภาพของมันมันมีสภาพเป็นยังไงมันก็ทรงอยู่ตามสภาพอย่างนั้นของมัน มันไม่อยู่ในการกัดเกณฑ์ของใครมีเห็นไหมถึงแม่ร่างกายจะเป็นสมบัติของใจก็ตามแต่ใจก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับบัญชากายได้กายกายกายต้องแก่กายต้องเจ็บและกายต้องตายให้ตายทําไมในเมื่อเขาเป็นสมบัติของเราบังคับบัญชาไม่ได้รับชอบพอใจขนาดไหนก็ตามเขาต้องแตกต้องทำลายไปจิตอยู่ไม่ได้ก็ต้องโดดออกไป เพราะฉะนั้นการพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจย้อนหลังไปดูสาเหตุต้นต่อว่าสาเหตุอันนั้นเกิดจากอะไรสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเพื่อมารู้มาเข้าใจสิ่งที่ผายึดผาถือคือความอยากนี่เองนี่พวกเราจรึงต้องใ้ภาวนากันทั้งกิจ ใ, ให้ได้รับความสงุกแล้วก็พิจารณาเห็นความอยากของตัวเองเห็นความอยากคือเห็นกิเลสรู้จักว่าตัวนี้แหละคือกิเลสตัวนี้แหละคือข้าศึกคือคือข้าศึกคือศัตรู ที่เราจะต้องตอก่อนอย่างอย่างไม่จบไม่สิ้นถ้าเขาไม่ไม่ไปข้างหนึ่งไม่แตกไปท้างหนึ่งไม่ดับไปข้างหนึ่งถ้าเราทําไปเราทําไปเหนื่อเหนื่อยเราปล่อยเราอยู่เฉยเฉยเราไม่ทําเขาก็ยิ่งมีกําลังบังชาขึ้นมาแต่ถ้าเราทําไปหยุดไปไม่หยุดไม่หย่น ด, ด, ดูไปเรื่อยขัดไปเรื่อยก่าวไปเรื่อยกราวไปเรื่อยเขาก็จะอ่อนแรงไป่ออนแรงไปเรื่อยอ่อนแรง่อคือจิตของเราม เ, เริ่มฉลาดขึ้นรู้ว่าอะไรรู้ว่า อ, อะไรเป็นไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ตื่นจากความลุ่มหลงหลงยึดหลงถือกับผูก้กับเสียงกับกลิ่นกับของข้างไหนกายกับ้อมนอกกายหลงยึดถือสารพัดแต่ไหนสุดยึดอันไหนก็ได้รับความทุกข์กับอันยึดอันไหนก็ได้รับความความทุกข์กับอันนั้นนี่คืออำนาจของกิเลสภายในจิตสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงปรากฏจริงอยู่เฉพาะหน้าเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรามีกายกายเป็นกลองทุกข์เราย้อนไปดูสมุดไทย ย้อนไปดูสมุทยัยคือย้อนไปดูกิเลสคือความอยากที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตคือา่ารู้คือผู้รู้เราพยายามจะแยกสิ่งที่เคลือบแฝงมากับท่ารู้กับผู้รู้ให้ผู้รู้เป็นอิสระตราบใดที่เราแยกได้หมดผู้รู้คือท่ารู้มโนท่าตัวนี้จะเป็นอิสระจะไม่มีสัมกับสิ่งใดท่านไม่เรียกว่าสังขารสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยท่านไม่เรียกว่าสังขาร อย่างพวกเราตั้งใจปฏิบัติทำแย ก, กจิตให้พ้นจากสภาพที่มาทําจิตให้เศร้าหมองมวหมองให้ให้ธาตุู้ผู้รู้เป็นอิสระโดดเด่นสิ่งเดียวสิ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดเมื่อแยกได้แล้วเนี่ยผู้รู้ตัวนี้ก็เป็นเป็นสภาพที่เที่ยงเป็นสภาพที่ยั่งยืนเป็นสภาพที่ไม่ถูกจํากัดด้วยการไม่จํากัดด้วยเวลาไม่มีการจํากัดไม่มีเวลาจํากัด ไม่ถูกสถานที่จํากัดเพราะฉะนั้นดํารงตนอยู่อย่างนั้นแหละตลอดอนันตการไม่มีที่จบไม่มีที่ขึ้นไม่มีที่ลงไม่มีที่จบนี่คือสภาพที่บริสุทธิ์ของจิตจิตของพระอาหารหันต์ที่ท่านจําระได้แล้วท่านจําระสิ่งที่แฝงมากับท่ารู้กับผู้รู้นั่นแหละอันชำระได้หมดสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นกิเลสพอชาระได้หมดก็เป็นเป็นวิสังขารท่านไม่ได้ว่าสังขารนะเขเรียกว่าวิสังขาร แล้วก็จิตดวงนั้นก็ไม่มีราคะท่านเรียกว่าวิราคะเป็นจิตที่สิ้นความกำหนัดสิ้นความยินดีจะว่ายินดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ยินดีก็ไม่ใช่แต่ท่านรู้ท่านละท่านวางได้หมดเข้าใจหมดไม่ยึดไม่ถือปล่อยหมดเพราะฉะนั้นจึ ง, ง, จ, งจึงสามารถทําจิตดวงนี้ให้สะอาดหบริสุทธิ์หมดจดไปได้เดี๋ยวนี้พวกเราได้รับความทุกข์ ประจําวันคืนยืนเดินนั่งนอนทุกข์จากนึกไปเรื่องนั้นก็ถูกสิ่งนั้นมาทิ่มแทงจิตนึกไปเรื่องนี้ความดีใจก็มาทิ่มแทงจิตนึกถึงเรื่องนั้นความเสียใจก็มาทิ่มแทงจิตอันนี x, ้คือความทุกข์มาทิ่มแทงจิตทิ่มทิ่มแทงจิตคือทิ่มแทงคือทิมแทงธาตรู้ทิ่มแทงผู้รู้นั่นแหละคือผู้รู้มันกวนตัวมันเองกิเลสอยู่ภายในจิตมันกวนจิตเอง คือจิตดวงนั้นยังมีพิษยังมีสงอยู่เราพยายามชำนักขัดเกลากให้หมดพิษสงนี่ลงไปเ mm hmm. หลือแต่เนื้อเนื้อเหลือแต่ธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ี่ถึงนั้นแล้วท่านบอกประมังสุ ข, ขงังประมังสุขังนี่แหละคือบรมสุขอย่างยิ่งไม่จําเป็นจะต้องมีใครไปเสวยแล้วนี่เป็นความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั mm hmm. งก็หมดไปก็สิ้นไปภพทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปวัตฏะสงสารก็หมดไปสิ้นไปนี่คือนี่คือสุขโต สุขติสุขโตอย่างอย่างแท้จริงนะพอสมควรแล้วเนาะนี่ก็พลิบพลิบฟื้นฟื้นเปิดเปิดแย้มแย้มให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรเพื่ออะไรเป็นเหตุเป็นผลของอะไระอะไรเรามีความจําเป็นยังไงที่เราจะต้องตั้งแต่รักษาศีลเรามีความจําเป็นยังไงที่เราจะต้องทําจิตให้ได้รับความสงบเรามีความจําเป็นยังไงที่จะต้องมาใช้ปัญญาพิจรารณา เราศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจริงของจริงก็คือตาหูจมูกลิ้กกายใจของเราสิ่งที่มาปรากฏทางตาคือรูปปรากฏทางหูทางจมูกก็คือกลิ่นทางหูก็ทางหูก็คือเสียงจมูกก็คือกลิ่นทางลิ้นก็คือรสทางกายก็คือการสัมผัส Geez. เราศึกษาเรื่องจริงของจริงอยู่อยู่อยู่อยู่อย่างนี้แล้วเราเร า, เราจะเข้าใจสภาวะธรรมได้เร็ว กิเล่มันจะหลอกเราไมไมมันไอ้กิเลสที่มันเคยหลอกเรามันจะค่อยๆหดไปหายให้ไปหดไปหายไปเราไม่ต้องไปนึกถึงตําราข้อนั้นตําราข้อนี้อย่างนั้นเรานึกก็ตามแต่ว่าเราจะต้องน้อมมาที่กายซึ่งเป็นของจริงอย่านี้นึกย้อนมาที่จิตซึ่งมีผู้เป็นผู้รู้เป็นของจริงอย่านี้มันมีความจำเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะศึกษารู้เ ข, ข้าใจเพืจะได้ปล่อยปละลาาะวันสรุป ยอดต้องการที่เราต้องการก็คือต้องการพ้นจากกองทุกนั่นแหละอืด้วยเหตุที่ว่าเวลากองทุกเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นี่จิตแล้วมันเลื้ออวดเลื้อทนเมื่อความทุกข์ไม่มีในจิตแล้วนี่มีแจะความสุขสะดวกสบายปลอปล อ, ปอไม่มีอะไรมาบีบังมั่งลัเนี่ด้วยเหตุด้วยเหตุนี้เองเราก็ระลึกถึงความทุกข์ที่เราเคยประสบพบเห็นตอนนั้นตอนนั้นเราได้ทุกอย่านได้ทุกอย่า ง, ง, างมัน แสนแสบสาหัสสากันจริงๆแล้วก็ย้อนไปดูสาเหตุของมันสาเหตุคืออะไรสาเหตุคืออะไรโอ้เราทํางันโอ้เราทํากั้นโอ้เราทํางันเราทํ า, ทาทดีอยู่แล้วทําไมเขาว่าไม่ดีทั้งๆ ท, ที่เราทําไม่ดีแต่ทําไมเขาว่าดีเนี่ยเราพิจารณาไปแล้วเราก็ยอมรับไปโอ้ใจอนันความจริงเราก็ยอมรับโอ้อันนี้ความจริงโอ้เราก็ยอมรับ การยอมรับนั่นแหละเป็นการยอมรับความเป็นจริงยอมรับตามสภาวะธรรมพระยาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงท่านปล่อยสภาวะธรรมที่อยู่รอบข้างตัวท่านเป็นไปตามอานาจของธรรมชาติทั้งหมดจิตของท่านก็เป็นธรมนธรมชาติกายแ่าวก็เป็นธรรมชาติสิ่งอยู่รอบข้างตัวท่านก็เป็นธรรมชาติท่านอยู่กับธรรมชาติร้อยปอร์เซ็นไม่มีความนึกความคิดที่จะไปคิดดัดแปลนสี น, สนู้นดัดแปลนสีนี้ ให้เป็นไปตามใจบังเพราะทราบคติของมันแล้วว่าอันนี้คติเป็นนี้อันนี้คติเป็นนี้อันนี้คติเป็นนี้เลยไม่ไปดึงกองทุกข์มาทิ่มแทงหัวใจของตัวเองปล่อยโดยโดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นความสุขโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีสติมีสัมผัญใะอะไรมาระแวงระวังคือรัะได้แล้วตัดได้แล้วถอนราบถอนโคนได้หมดแล้วอกิริยาปฏิกิริยาจากเกเลรที่จะเกิดขึ้น ภายในในเมื่อรเราถอนละถอนกรธออกหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีสิ่งเหลนี้ก็ไม่มีร่างกายมีร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่ชาระได้ร่างกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลผลของกิเลสเป็นวิบากขันทันเรียกว่าวิบากขันเป็นวิบากขันเป็นผลงานของกิเลสตราบใดที่เราชาระตัวนี้ยังไม่ได้ เรายังมีพบมีชาติพบชาตินะครับไปสูงไปต่ําไปตามอำนาจของของกรรมที่อมแปงอยู่ในจิตพระวจิตกรุกกระดิกพลิ้วแปรยังไงนั่นแหละคืออำนาจของกรรมบางทีมันก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยถ้าคิดเรื่องดีก็บวกเรื่องดีไปเรื่อยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเรยถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสกลายเป็นวิบากกรรมทั้งทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีในที่สุด จิตพื้นๆจิตธรรมดาเนี่ยมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสับสนปนเปกันไปอยู่อย่างนี้แหละในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอย่างล้มลุ่มดอนดอสุบบ้างทุกบ้างทุกทุกบ้างสุบบ้างอยู่อย่างนี้สับสนปนเปกันอย่างนี้เลยแต่ถ้ากเรารู้เราเข้าใจแล้วเรามาศึกษาเรื่องจริงของจริงผู้เรียกข้าพ้นจะกกองทุกข์อันนี้ไปได้ผุ้ริจ้า คุูบาอาจารย์พระพิเจ้าพระสาวกพระอัยยะสาวกท่านเดินไปแล้วตรงเราก็พยายามคลานราบท่านไปอ่านแล้วอ่นแล้ว